الحمد لله ا ل ي ا ل ر ا م ا ل ح ا ل ر ي ل الله رب ا ل ع ا ل ا ك ن من ا ن ن م ن ل ى م ا ل ا ل ر ب ا ل ن ا ا ل ي ص ب ي ا ن م ت ن ي การจัดารสุขภาพและการป้องกันกิกรรที่จะรึ้งที่เป็นสสุรมวลชนะครับอยู่ในเร่งปลาขอสื่อสารมวลชซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการยืนยันในบางกามารยาทต่างๆอยู่ในพนังเกียวกันกับมารยาทกับระเบียบส่วนต่า ในที่อธิบายจัดใจทุกครั้งนะครับว่าชื่อราศนู่ยจะระเบียบชีวิตของมุสลิมในทุกระบัตในต่วระบับจิตใจท่านน่อยในหัวใจของเขาจนถึงระดับพิธีกรรมมารยาที่เกี่ยวกับการกระทำของเขาจนถึงระดับการปกครองในสังคม ด้วยบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการลงโทษต่อความผิดอย่างเช่นการทำดีนะและอื่นๆในทำนองนี้นะครับเพื่อจะได้ให้มารายาท ต, ต่างๆหรือบทบัญญัติต่างๆนั้นส่งเสริมให้สังคมมุสลิมตั้งแต่ระดับมุสลิมโดยส่วนตัวและในระดับภายในของเขาหมายถึงบุคลิกภาพหมายถึงจิตใจของเขา ขัดเกลกร์เอกรมจนถึงระดับผู้ปกครองในสังคมเพื่อจะได้ให้สังคมนั้นรับแสงสว่างเมื่อได้ปฏิบัติมารยาทต่างความสว่างจะเกิดขึ้นในสคมเพราะฉะนั้นตัวเรื่องของสูร้รักอนูรันะครับแน่นอนเมื่อเราศึกษามารยาทในสูร้รักอนุรกเราจะสังเกตว่าการปฏิบัติมารยาทต่งๆในสูรักอนุรักษ์นี้แน่นอนจะทําให้ ชีของเราเนึ่ฟงฟองว่เอา่เรื่องเดียวในเรื่องจารเรียนสายนธุ์เกิดเรื่องดีในเรื่องโซ น, นี้นะถ้าเราเอาเรื่องนีมิจาานาในในยุคของเราเนี่ยแน่นอนถ้าเอามาใชา้ใ น, น, นยุคโลกเราสายพันธุ์จะรับแสงสว่างเนี่ยยังยังดีงาแต่เนื่องจากว่าหลายเรื่องหลายมารยาที่รนนีระในสุราธรรมนูร r ลายเป็นมารยที่กทิ้งหรือ ไม่ไม่ได้รับความสนใจความสำคัญเป็บรรดาที่สุันนั้นย่อมจะทําให้ชีวิตของเราสายลมของเรามีความมุดบามส่วนที่เราได้ผ่าชีวิตและทีวิตและการเมรัยสัง่างวิสุทธิรกันนี้ยิ่งเรายิ่งมีการปฏิบั ต, ติเมรัยในชุดอันนี้ยิ่งจะมีความสว่างเกิดขึ้นในชีวิตเรา นิ่งมีควาบปรองในมารายสั์ดังเยอรุ่นิ่งจะมีความมุขขึ้นในสังนมเลยเลยสิบคนะครับและิ่นที่อจะเอ่อที่ว้ในใน่วาสุท้า้ของสุราอันเยืิอเราทุกท่านนะครับต้องมีความต้องมีการขยันนีในการที่จะแสวงหาศึกษา เจตนารมณ์าประสงค์ขอลลอฮฺานาหวาตาฮในแบบบัญญัเราไม่ได้รับคบัญญัติจากอัลลอฮฺแคได้ปฏิบัติอย่างเดียวเราเป็นคิดอัลลอฮฺต้องการอะอัลลอต้องการให้เราทาอะไรตัเนี้ยเพื่ออะไรเราต้องการให้เราทำเข้าบ้านต้องมีการขอัเนี่ยต้องการอะไรเราเป็นคิดเป็นพิจารณาเพื่อให้การที่เราสราบถึงข้อตกลงนียทําอะไราสามารถ ปฏิบัติตัวได้ในทุกกรณีเพราะเรา a ข้า Allah ต้องการให้ทำอ้องนี้ไม่มีกว่า a ราต้องทำตัวตามความประสง a ์ของเราในฐานะมนุ a t a n ุ i s ูมาพอ n ด้กว a าเอ a นดูชะ a า a ที่สว a ทุกใ i บรรดาชะตางที่เ h าได้กล่าวหวง เร้องไม่ทนรัฐมนลาเวาที่ีความกันโยกันไปโยกันมาตีความกันไปตีความกันมาเขาก็บอกว่าเราต้องดูเจตนาลมของรัฐมนูลต้องการอะไรมาตรานบามันจะคือหรือมันจะไม่ชัดเจนเราต้องดูติดตาเขาต้องการอะไรต้องการบัญญัติอไรแลเจตนาลมตรงนี้เจตนามจ เอามาจะสบารเอามาจากประสบกเอามาข้อ oh, <no. S 1> ี่พากาแว่าัอดถือต่าๆซึ่งจะเป็นองค์รอบที่จะสามารถให้เราตีความเจตนารมงเนี่ยกหมายานเช่เดียวกันในัเจตนาเราเนี่ยเราได้สิาสู่รัศมีลายมดรวยลายมเลยว่าที่เราได้ทราบมาแล้วเนี่ยทให้เราเนี่ยต้องถนัดดีต้องมีความเข้าใจต้องความ แน่นอนนะครับในสิ่งที่อัลลอฮฺเพื่อนเวาตอบลราตั้งกต่เนี่ยเราตั้งแติเพราะฉะนั้นในท้ายของสุราเนี่ยก็จะมีการเรียนในมารยาทต่างๆที่เคยระบุในสุราในแต่การที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่ตอาที่ห้าสิบแปดเลี่ยก็จะมีการจับมาพูดถึงเรื่องการขอเนื้อนะครับการขอเนื้อ เข้าบ้างเข้าห้องเข้าเท่งแต่จะเป็นลักษณะเฉพาะหรือเป็นหมดบัญญเฉพาะพบางการณีบางส่วนมาอ่านกันดูทีดูว่าเรื่องขอ น, นี้อดีจะมีอะไรที่มันพิเศษกว่าหรือที่มันมีความเฉพาะนะครับมากกว่าที่เราได้ได้ศึกษามาแล้วอัลลอฮฺทรงตรัว่า يا أيها الذين آمنوا واليشعذينكم والذين ملتف ك أيمانكم والذين لم يبلغوا الفلو ميلك ألا ث م ر ا ت من قبل صلاة الخير وحين ت ض ع و ن ث ي ا ب ك من م ا ل ظ ه ي ر ة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكن إث علىكم ولا على ي من جناح بعد و ل ن طواف ولا عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين ا ل ل ه لكم من آيات الله ع ل ي م الخير. يا أيها الذين آمنوا أبا لفتح ا لي استأذنكم الذين م ل ع ت أيمانكم ليستأذنكم خمولاً. ا أرقى لام ا ل أ م ر لام الأمري ما هو بين أحسن شيء من شيء มีคำสั่งที่ถือว่ามีคำสั่งคอยสติดิ้งคุณจะเป็นอะเรียมูบาเราะถ้าประกอับคว่ากับอักษรมีนนีสต้งคุก็เยเมือนเป็นคสั่งะดคุณคำสั่งต้องให้ขออนุญาตะนี่ดิ้งุาจะดูัลิสติ الى استئناس اذا لاوناليا استئناس اذا نتمنى تقوى أليا تُنْهِيَ الْحَوْلَ مِنْهُمْ مِنْ شَهْوَتِهِ أَلَسْتَ أَيْلَنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ا ل ْ ل م ن ُ م مِنْ ش َ و ْ و َ ت ِ ه ِ أ ل َ س ْ ن ُ ك ُ م َْ ا ل َّ ذ و ََ ي َ ل و ا ََْ ا ن ََُْْ ตามเวลาต่างที่ที่จะระบุดังต่อไปนี้ประเทศแรกก็คืออัลจีนะซึ่น่าะครอบครองไอมานุพุมมือขวาอว่าอะไรอะที่มือขาครอบฟองเอาดอกแล้วที่มือขวาครอบฟังมีไหมถึงว่าปวดค่าวขาสีอะไรตัดอันนี้เป็นเป็นข้ด้ยกว่าที่ไหนอะ อีนัอันอนี้หมายถึงว่าฉันคําศั่งคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับสภาพที่อยากจะพูดถึงเขาอยากจะพูดถึงภาพคาสีเอตรงนี้ดันดาภาพคาสีที่อยู่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเจ้าเนี่ยให้เขาต่อนี้ก่อนเข้าภาพและคาสีเนี่ยอยู่ภายใต้อานาจของเราอำนาจเนี่ยมันจะใช้ คำว่าม <fl ush ed> ือและมักจะใช้คำว่ามือขวาไอมานุ่งเพราะมือขวาเนี่ยจะแข็งแรงเสียนมากนและแข็งแรงเพราะเวลาเรียกว่าพินายนะคนที่ไม่บรรลุผลละบรรลุแล้ว่บรรลุแล้วไม่แล้ไม่ลวมบรรลุยงไม่บรรลุบลนีคืบรรลุนี่นะบลุแปลว่าบรรลุ มันยังตลบฮลุมฮลุมเป็นภา a าหน้ากว้างอย่างไม่ตลบภาษาหน้ากว้างนะนะอย่างไม่ตลบภษาหน้ากว้างฮลุมมันไม่ตอสังหรชายต่างจากหญ้ชา้เตี่องมีรรรม ภาวะของชายและหญิงชายในการวัดเสียงหญิงก็มีเพศนะครับอ้าวแล้วบอกว่าสำหรับทาจะเป็นชายหรือหญิงบรรลุศาสนาหรือไม่บรรลุสำหรับทานะแ้วสำหรับคนอิจาระแต่ที่ยังไม่บรรลุ s าสนาสภาวมายถึงว่าย <that om> ังเด็กเล็ก <st> ย <utt month> <that om> ังไม่บรรลุศาสนาครนสังเทีต้องขออนุญาตต่อพวกเจ้า ก่อนที่จะเข้าห้องในสามเวลาดังต่อไปนี้เป็นข้อสงสัยอ่ามีสาหรับถ้าและสําหรับเด็กที่ยังไบรรลุสาระนว่าจะเป็นใครหรือก็ตาแล้วที่ไม่ใช่ท่านนคนสระโตแล้วเออหรือจะเป็นบุคคลที่บรรลุสาระนว่าแล้วเนี่ยเรื่องมาเรื่องมารยาทการขอเนี่ยเป็นยังไงอันนับุไปแล้ว เราดูเพลาที่อายาทีเราเคยอธิบายแล้วนะครับอะไรที่ไหลทำได้ไหมนี่เนี่ยอาย e ที่ยี่สิบเจ็ดอายาที่ยี่ะอัลลอฮฺไม่พูดถึงคนโดยทั่วไปคนโดยทั่วไปเนี่ยจะเป็นคนอิจระจะเป็นเนียหรือไม่เป็นเนะ เมื่อบรรลุสาสนาธาวะแล้วเนี่ยจำเป็นต้องขอทําให้เป็นมั่รกรมนะทาให้เป็มมั่งกรมจำเป็นต้องขอเนี่ยตลอดในที่เวลาต้องขอเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านก่อนจะเข้าห้องจะเข้าช่องเนี่ยก็ต้องขอเนี่ยตลอดแต่สำหรับสองกรณีนี้สอประเทศนี้ใือคือใทยคือท่ไทยหญิงหรือเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนาธรรมเนี่ยจะต้องขอเนี่ยแต่โดยเฉพาะสามเวลาเท่านั้น เอล้าคอตต่ตางกันในอายอดีสุดเพื่อนผู้ใช้ ก, ก, การขอเนื้อโดยทั่วไปทุกเวลาและโดยทั่วไปสําหรับทุกทุกคนแต่ตรงนี้จะมีการยกเว้นหมายถึงว่ามีการระบุโดยเฉพาะสองประเภทคือข้าชายหรือหญิงแล้วก็เด็้เพียงไม่บรรลุสระวัต ร, รชายหรญิงนะให้ขออ น, นื้อเมื่อจะเข้าบ้านจะเข้าห้องจะเข้าช่องนี้นะก็ะต้องขอเนื้อแต่โดยช่วยสามเวลา นอกจากสามเาลาเนี่ยไต้องขอเนี่ยเข้าได้เลยแค่กล่าวสลามแล้วเข้าได้เลยแต่ขอเนี้ยนี่หมายถึงว่าต้องมีการกล่าวให้อนญาตเข้าอัลลอฮ์บอกว่ากลับมาอ่านอีกทีหนึ่ยเะโอบรราผู้ศรัทธาเลยและเจ้าที่นิุนนมจําเป็นต้องขออนุญาตจากพวกเจ้าซึ่งอัลลอฮ์นีไนน่ไม่ได้จะให้หนุ่มคนที่เป็นทาสชายหรือหญิง والذين لم يبلغوا الحلم لم نأتوا يومي بلغ سفنات واقلين سفكا ث ل ا س م ر ت ولا في الله سمن رؤيا سام ولا ثلاث توسام مرة ت ا م خرّن ر ز ل ا ر م ل ا نقص ي ه ا ا ل ر س و من قبل صلاة الفجر من قبل قرآن قرآن صلاة الفجر قرآن لما صبح ก็หมายถึง so ว <unfolding. S 1> ่าช่วงเวลาก่อนที่แต er ่ลุกขึ้นไป็นระมัดฉันพี่นีจะเป็นเวลาที่สามีกัตรียาหรือชายหรือหญิงที่อยู่ในบ้านในที่เป็นผื้อหญ่ส่วในบ้านนี่นะในของบ้านเนี่ยก็มักจะอยู่ในเสื้อผ้าสบายๆอาจจะแต่ตัวไม่เรียกร้อยใส่เสื้อผ้าไม่ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับจึงต้องมีการระมัดระวัง แม้แตะอันนี้สำหรับคนที่จะไปนีเขาจะใไม่นานแล้วที่ความน้ดีแล้วคนที่ไปเนี่ยแต่สำหรับคนอยู่ในน a ้นล่ะถ้าเรื่อคนรับช้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เป็นชายผู้หญิงแม้กระดั้นจะเ i ี้ยไม่บรรลุสนาะว่าก็แสว่าที่บรลุแ้นี่็ยความนี้สมอแต่ <tahun> ัน <derni> ี้สำหรับเราจะสอนรที <Mechan ics> ่เราไม่จะไม่ไม่ถือว่าคนใช้ของเราหรือภาพของเราเนี่ย แล้วไม่ไม่เป็นไรแต่ศาสนาบอกว่าไม่ได้และเรื่องนี้เนี่ยบทบรญญตนี้เนี่ยุใดตุกทานลงมาอันนี้จะพูดใเหตุการศึกานะครับทำมัดยน่อละละละาลขมาเอ็นดันขับปัอยู่ที่บ้านของท่านประทับของเขานี่หรือถ้าสองสหายอีคนนกระด็ใช่ ให้ทําธุระเอาสิ่งตํางๆอย่างเงี้ยไปส่งให้อมัครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านโอมันเนี่ยซาลามฮัลที่มเปิดประตูเข้าเลยโดยไม่ได้ขอ ร, รอนแลาตจากโอมะเพราะปรากฏว่าโอมัรตอนตอนนั้นเน่ก็ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยงมีอะไรที่เปิดเผยซึ่งท่านไม่พอใจท่านก็เลยบอกว่าถ้าอทานันยางวดันอย่าที่จะตัดการเรื่องนี้ให้มันเรียบร้อยมันสวยงานมนะ เราม่ได้หาดินในเดือนสันติศนีบดานี่ครับตามธรรมราชองค์เมเรามที่อัลลอฮฺประทานลงมาเรื่องกับเรื่องนี้นะครับแต่สําหรับสามเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเวลาจำเป็นในสองประเทศที่ที่ต้องขอเนี่ยซึ่งจะเป็นเวลาที่เราจะพักผ่อนนะและจะเหนียนสบายๆจึงต้องมีความเข้มงวดหน่อยในการที่จะให้อำนาจเกียดตัวอื่น โดยเฉพาะันดีคนบ้าแล้ว้่าจเป็นทาติดยเป็นะเด็กที่ยังไม่บรรลุสังขารนี่มนก่อนสังขารปัจจุบนตอนระดับเฮรก็หมาไมตัวช่วงกลางคืนนั่นแหละช่วงดึกดิกเนี่ยตีหนึ่งตีสอนี่มีอะไรมีปัญหาเนี่ยจะเปิดประตูเข้าห้องเข้าห้องจะของบ้านเนี่ยโดยไม่ได้อเนี่ยเนี่ยต้องต้องอนเนี่ยแล้วต้องได้ยินําให้อันเน ที you the ่ทำให้ขวานว่าพี่น่าจะได้รู้ว่าที่ไหนที่จะมีการจัดงานศพ จะเป็นช่วงที่เราอาจจะแอบตัวไม่เรียบร้อยหรืออาจจะอยู่ในห้องต่วนตัวไม่ไม่เรียบร้อยจึงต้องมีการจัดระเบียบตรงนี้นะครับคนบางที่สาระศิลาชัละลงะหมาชักเาเป็นอันอิมัมประตูดีบอกว่าเพราะเป็นเวลาริ่มนอลละแต่ในวันก่อนนี้ละหมาดิชาล้วก็เข้าบ้านหลักกันแล้วนี มันจะเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งในพี่พี่ขัดพี่ขั a จากสังคมของเราน t ีสุลต่านสั่งว่ามันจะท่างนี้ถ้าจำนบีมันยิ่งรักรัอะไรจะอ่าอัลกุรอานักาัพูดกะมีเรื่องคุับสบาตที่าั้าหเพราะฉะนั้นอัลุ ตาม حديث ของดุริยุบ i คฮารีพระบุคคลของศาสดาย่อมจะกระมุขกระมับระหวางหลังฉาศาสจะไม่ชอบพูดคุยไม่ชอบพูดคุยหลังฉาหลังฉาเสร็จแล้วเนี่ยจะไม่ีรงสำคัญเนี่ยนะตลบ g ะไม่ีการจุด่าจะมีอังกุอะไมีการทำอะไรางะไม่มีเรื่องที่ควรจะทำจะพูดมีตัวอะไรที่สำคัญเนี่ยไม่ถึง่ จะให้ลังาจารย์อุดเรื่องที่เป็นเรองไร้สาระใ a ้นักเรียนที่ชอบนะอันนี้จะเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ชอบดูละครหลังอาจารย์นะยังมีสุนทรคุณนักเรยนะสุรไมดอา马来มาแต่ตัวเองลมาดั้ดเลยนะอัลลอฮฺ ثلاث عورات ل ك หายวเป็นช่วงเวลาที่ต้องหา เมือนเราเรียกว่าเอาราของเราเนี่ยเอาราแปลว่าอะไรสิ่งที่ต้องหา้ามต้องปิดบังนะครับแล้วมันมาจากอะไรดั้งเดิมมีรากศัพท์มีเอาราเนี่ยมาจากคําว่าสถานที่มาจากอะไรสถานที่ที่ใครจะมาละเมิดจะมายึจะมายึดครองจะมาทำลายได้ ในส่วนขอหล่าดามวกมุนาฟิตินเนี่ยในสงครามมันขนดับนะสงครามมันขันดเนี่ยนบีก็จ้างให้ชาวฮะบานีมาคุตคุนล้อมเมืองมัณฑนะพวกมุนาิตก็จะเขานี่ในยุคเอ็นี่บุตนาอออราแทนที่เนบังอราเนี่ยทนออรา่คนไม่บุกได้ไม่ยึดได้รสิ่งที่มันถูบุกได้ต้องก เหมือนกับเนี่ถ้าเป็นเอววาของเราแล้วเป็นเอาร่างเอารางนี่หมายถึงว่าถ้าจะล่อยเนี่ยเปิดเผยดีนมันก็จะถูกกลั่เมือแต่เอารของผู้หญิงรือผู้ชายเนี่ยถ้าถูกเปิดเยเนี่ยจะถูกกลั่นเมื่อจึงต้ติดบังไอ้เอาร่างเช่นเดียวกันเวลาเวลาเป็นเอารางนี่หมายถึงว่าเวลาี่ถ้าเราล่อย ไม่มีรับเดียบไม่มีกระติญานนะเขาจมาุจพระเดิมนะาะทุกข์ี่ตางพระนาสิ่งเดเวลาเสกวาอระสาารที่เป็นสาเวลาเอาะในเต้องปิดบังต้องมีรั้วต้องต้องกานให้เรียบร้อยแต่ลรกวอุระสินสเวลานี้สหรับตประเทศก็คือท่าและเด็เียงไม่บรรศาสนาเวนต้องขเนี่เข้าใจให้ดีนะอันนี้สาหรับประเทศที่ มีความเคยช้นแล้วอยู่ในบ้านแล้วหมายถึงว่าพิธีกับเจ้าของบ้านนี้แล้วทั้งนั้นที่คนที่พิธีอย่งนี้เนี่ยต้องตอนยากต้องจอแว่าคนอื่นนี่นะต้องเข้มงวดมากกว่าสองประเทศนี้นะครับถ้าจให้ดีตรงนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใด้ใบไม่มีการตําหนี้ได้ใบบางทหารน่ะนอกจากสาเวลานี a, ah ้นอกจากมเวลานี้เนี่ยทวกเจ้าแจะนั่งอยู่ยังไงจะเยียังไงที่บ้านเนี่ยไม่จําเป็นสําหรับสองประเทศนี้ที่ต้องขอเนี่ยที่ต้องขอเนี่ยก็แสดงว่าเจ้าของบ้านอหรือคนที่อยู่ในบ้านนอกจากสามเวลานี้ต้องพยายามรักษาสภาพของตนเอง เมื่ออยู่ในสถานที่ใดหรือที่หนึ่งที่ใดในบ้านโดยผู้อื่นที่หวังว่าจะเข้าไม่อยู่กับเราเพราะนอกจากสามวันนี้เนี่ยไม่ขออนุญาตแล้วนะหมายถึงว่าคนใช้ในท่าที่อยู่ในบ้านเนี่ยอยู่ในห้องครัวแล้ะจะมาเข้าห้องรับแขกเนี่นะเขาไม่ต้องร้องนะเขออนีญยตเข้าเนี่ไม่เขาต้องต้องบอกแต่ละวังทุกครั้งเข้าเลยที่นี่ตอนที่เรานั่งอยู่ในห้องรับแขกเนี่ยสมุนนะงั่งอยู่องไหและนี่ มีคนมาใช่หรือมีฝร he ั่งมีค่าหรือมีอะไรทุนอกเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองใ่จังหวะให้แต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีข้อบังคับให้ขอเนี่ยแต่ช่วงเวลาอื่นช่วงเวลาอื่นเราอยู่ในห้องส่วนตัวหรือเราอยู่ในห้องนี้แล้วคนอื่นดูเราอยู่ในห้องนี้เป็นเจ้าของบ้านนะครับและเป็นคนอื่นจะเป็นเด็กหรือจะเป็นข้าไปอยู่รวมไม่ใช่เจ้าของบ้านอันนี้ไม่ใช่เป็นที่อยู่ในบ้าน เมื่อเห็นนี้เขอยู่ข้างในเในช่วงนี้เราต้องปอนเนี่ยพราะเป็นช่วงเวลาที่เราต่อเวลาเอาะหมายถึงว่าคน่มักจะไม่รมัดระวังตัวเองอยู่ยาสบายสบายนะครับนนี้จะเป็นมารยส่วนหนึ่งที่เราจะมักทีวามได้นะครับหมายถึงว่าใอนุโลมอ่าอยู่ในห้องตัวตัวอยู่ในบ้านในช่วงสาวลเราเนี่เขาก็อยู่อย่างสบายสา แล้วไม่ใช่ตัวเราที่ต้องระมวังตัวเองและคนอื่นเในช่วงเวลานี้ตั้งตอนตอเข้าบ้านนี่นะต้องระวังจะเข้าบ้านในช่วงมเวลานี่ต้องระวังนะครับอ๋อแลอีกมายนึงก็นอกจากสามเวลาาเวลาอรานีนเราตัวเองเนี่ยเราเจ้าของบ้านเนี่ยต้องระวังตัวเองเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีข้อบังคับคนอื่นเนี่ยเชเยง้าขอาเราหรือผู้รับใช้หรือเด็ก ลูกหลานของเราเนี่ยทีม่เป็ลูสาวนะรเจาขาข้าไม่มีความบังคับที่ต้องสอยนะนะครับนอกจากมารายาโดยทั่วไปต้การสนามก้สนามเอาล่ะคนอืล่ะที่ไม่ใช่านที่ไม่ใช่ลูกหลานของเราและไม่ใช่มครองคนอื่นเนี่ยต้องขอเนี่ยทุกเมื่อนี้อันนี้อันนี้กวาเลยนะทุกเมืเลยทุกเวลาเลยกอนขอบ้านเขหอองนเนี่ยก็ต้องขอเนี่ย ตวคุูอะ ع ل ي ุ م นายคุณมาแลงคนต่างทุกข์ทีเป็นอยู่ในบ้านมหาสุขันตวคุณเนี่ยไปกันมาไปกันมหาสุขันนะมาจะตวบีูหละตวีอะเอาไปมูมาหนี่อยู่ในบ้านนี่มันต้องเพื่อมันต้องมันต้องถนัดใช้สถานที่ต่างๆเขต้องต้องทุกข์ทีนะเพราะนั้นระหวางข้าระหวางลูกหลของเรากับเราเนี่ย มันก็จะเป็นการทํากิจกรรมต่งตางๆต่งตาตงๆอย่างส บ, บายๆอย่างเก็บอกว่าในช่วงนอกจากสามเวลาเนี่ยนะต้องระว่งนะบางทุกุมะลาบะต่างคนต่างนี่กิจกรรมไปมาสู่กันอย่างในบ้านนี่นะก็ไม่ควรที่จะมีความชื้นนวดในคนที่จะมีข้อบังคับในการที่ต้องต่อเนะี่ยแต่จะมีมารายาทในการที่ต้องระมัดระวังในด้านการาตาแต่งกาย ดังที่จะมีมาเรีบุกตอนนี้นะครับเพือจะลิกะมาเรีุนนั่งละคำสั่งให้ชุนนัละยุบยินุลลอฮุละตุมยุบยินุลลอฮุอัลลอฮ์ทรงชีแจงละตุมสำรับข้าอัลอาอิย์บรรดาอุปการศาสนาบรรยัตตั้งแตีิมสมีิมานารับ้าัลลอฮอลมลอัลลอฮ เป็นผู้ทรงรับรู้คิดมุ่ผู้ทรงปัญญาทรงรับรู้รับรับรู้ใจิตใจของพวกเจ้าใครในอ่ะอัลลอฮฺรู้ว่าใครใ a จะดันารมเล่ใครในจะดันารมดีอัลลอฮฺรู้ว่าในบาบใคราคิดเป็นดีนองกันลบีลบองกันนะคิดนเป็นดีนกันจะมาึงขนี ก็จะนี่ยังกันวันเด็กเด็ n จะมันพูดกั a อัลลอฮ์อัลลอฮ์รู้ดังนี้อัลลอฮ์รู้เพราะนี่อัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์จะแบ่งแยกนี่เออเออเราจะมาอ้างว่าเออคิดมากที่แค่ไม่ได้คิดมากเอ็งจะคิ อามน้อ s e รื่องสลามะสลามุ a าระบุญอ้ s มัสชะนี่เขาอ้างแบบนี้อามะมันบุริตรไม่แก่เนีิดมากถ้าใช่กับนีนีเขาม่เหนื่อยก็เจรจ o สลามกันยาวแก่เนี่ยใจ i ม่ดีแต่แรงว่าใจไ a ่ดีสักก็บอกพอไม่ดีแล้วไม่ดีบอกเพรฉะนีมันสลามุจญ์ไม่จําตกันดีที่นเราทราบดนี่ยแล้วไม่ดีใจบริตู้ใจไมีม่มีสาอาบว่าใี นั่นน่ i ไอ้เจ้าหน้า n ี่ในสาบีสุนะเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ใล้วในสำนักงานผู้หญิงไอ้นี่คนละว่าโอ้ฉันนี่นี่เกิดจากคนนี้คุยกันมา a นื้อจะมาห้ามแค่จละมือจะลาตสมมะเราะ่นี่ละคือบัตที่อัลล์รรับนูอัลล์และเมนอกวนั้นนะฮะที่มุ่งริชาญสิ่งที่มันเสุดสิ่งที่มันดีมื่อัลลอฮ์ก็จะบัญญตให้เราต้องตรงนี้ ใจงที่มีอยู่ในศาสนนั้นคือสิ่งที่เหมาะที่สุดดีที่สุดแล้วแตหากว่าเรารึกหรือคิหรือทาบหรือเข้าใจว่าสิ่งนี่ในสนาตั้งอยว่าัไม่เหมาะนี่นแต่้ว่าเราเนี่ยกำลังกาลังประนามพระผู้เป็นเจ้าเรื่องนี้บรรยากาศเด่นเลยมีเด่นเลยอ่ะมันจะมีนะบางคนเนี่ยรู้ตัวว่ายกต่างๆที่มียูเนยพูดอ่านนบงคนเนี่ยพูดเป็นเพื่อทำ พูดเป็นพิซัมเรื่องนี้จะพูดกับชาวโลกนี่มันน่าอายการที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยติดบางหวมฮิญาณไปมันน่าอายมีคนพูดพูดแบบนี่ตีอ้างตัวเป็นมุขเีนและจะอยู่ในระดับหนึ่งคือาอายตัวอตัวหมายถงว่าข้างในเนี่ยไม่ม น, น่าจะมีนะไม่น่าจะมีนทั้หมดนี่นะ มันลำบา a ไม่น่าีลยไ่ได้พูดนะเป็นเท่จำนะแต่เป็นความรู้สึกอันนี้แหละต้องต้องกับมาพิจารณาตัวเองว่าตัวเองมันเป็นมุสลิมหรือป่ามุสลิมเรต้อนอมตนยอมรับต่างต่งอ่ให้แก่บทบัญญัติของ Allah s u b a n เมื่อมีามณ์ขัดใจนี่บกว่าไอเราเนี่มันมีเราไม่รู้ต้องุยอย่างนี้ไอเราเนี่ยตายอจะมาเกง้นมาเจอ a l l a เราเหนื่ควายจริงๆถ้าเรายังไม่เข้าใจนะถ้าเรายังไม่เข้าใจญี่ปงกษัตริย์ไอ้เราเหนื่อยควยเรต้รัไอ้หิงทีเอาวามั k ยังไม่ดี n ี่สุดแต่ไม่ใช่นัม่ใช่เรา穆斯林ไ่ใช่เีนะไมยอมรักทไมยอมตงให้ัมี่่ิเรื่อนี้ได่โวไอ้บลล์ัลอัลาลมินคุมุลุลมาัลย์สตาดิลุกมาสตาดิลุั้นทีนักอ ทั้งนั้นคือการที่เราไม่ได้ร ل บการช่วยเหลือจากพระเจ้า ชี้แจงข้อสงสัยตรงนี้ว่าอีกแบบหนึ่งหาว่ได้บลุศาสนาพาแล้วซึ่งอัลอัครั่นเด็กๆนี่ก็ไม่มีพวกนั้อัลฮุลมเี่ยนีศาสนาพาได้บรรลุศาสนาพาแล้วอันเะดีลูก้วาล่นขออนาตให้ขออนาตก็มิสต็จนะท ذ ่เล่นในก่ ชนที่บังดาที่มาก่อนหน้าพวกเขาเลยได้เพราะอเนบันดาที่มาก่อนหน้าพวกเขานี่คือที่ทีรกราบโอเลอายาีึกน่ยย่าั้ล้วนอามันอย่ีสุเดียนะก็มันนะยาอ่นัล้นอามันราจะดูขลุ่มอยูต้างนัเรินไ้ะาเาบ้านตืนนอกจากบ้านโลกเจ้าเลยาไม่ใช่บ้านของโลกเจาเนี่ยก่อนเข้านี่ก็ต้องขอเนี่ยนี่แหละคือผู้ที่มาก่อนที่มาก่อนหน้าพวกเขา มีบทบันตเกี่ยวกับเขาเล้าล์ตบอกว่าฉันยกันเด็ที่บรนลุศาสนาด้ว่าแม้จะโดนลุกหลังของเราทอยู่ในบ้านที่ในบ้านเมื่อบรลุศาสนาดว่าเลี่ยจะเข้าบ้านที่ไหนเมื่อไรนี่ก็ต้องขอนีญมีการทัสลาและจมีการแสดนมีการแสดนเตนาวมทั้เข้าบ้านะครับองนี้ในช่วงเวลาหรือในช่วงที่เรารู้ว่า ก็คงบ้างนี่อาจทำไม่สะดวกแต่ถ้าเนการที่จะต้อนรับคนอื่นตัวเลือกตัวเลือกคือคนเหล่านั้นจะมีไม่ถึงว่าให้เขาขออนุญาตตลอดไปเลยอยู่ในห้องส่วนตัวให้เด็กที่เป็นนุสศาสนาแล้แล้วนี่อาม่าบอกว่าามวต้องอน่เวลาอื่นไม่อถ้าเราอยู่ในห้องส่วนตัวทุกเวลาเนี่ยดที่ศาสนาเด็ต่อในห้องส่วนตัวเนี่ยทเวลาต้ออเนี่ย ทุกเวลาเนี่ักอั i นี้เป็นมารยาของอิสลามเพราะว่ามันเช่นเดียวกันนะครับเช่นนั่นแหะคือมารยาที่ใบีมโ n ฮุที่อัลลอฮ์ทรงชี้แจงและก็มาให้เป็นตัวเชื่อที a ดีเป็นองค์การของพระองค์อัลลอฮฺอัลัมุลฮะลทรงรับรู้ทรงริชาอันทูสทรงรับรู้ทรงริชาญอันนี้เป็นมารยาเกี่ยวกับการขออนุญาตเช่นเดียวกัน ก็จะมีการชี้ถึงรายละเอียดในการขยมารยาทการขออนุญาตสําหรับบางคนและสําหรับบางเงล้ฉะเราะนั้นเราก็แยกระหว่างบทบาง อ, อย่างอ่าบอกว่า น, นี่คุณสำนะักหรือคนเรื่องนี้จะเลเด็นนะในอายุสิ่เแวดล้อมเกี่ยวกับมารยาทการขออนุญาตทุกเวลามารยาทการขออนุญาตสําหรับทุกคนนะต่ตรงนี้เป็นมารยาทขออนุญาตสําหรับบางเวลาและเป็นมารยาทขออนุญาต สองประ a s ทเท่านั้นเพราะประเด็นสามปรทคือเอาที่มาต่อไปนี้ก็คือเรื่องบเลาสงว่าเลยได้ว่าีีประเภทคนโดยทั่วไปคนโดยทั่วไปอันนี้ผมขอเีกวาแต่งที่องาา ประทที่สามก็คือเด็กทียงไม่บรนลุศาสนาฮะสองประเภทนี้ให้ขออนุญาตเฉพาะสามเวลานะครับคขอละมาสุขให้และหลังละมาสบุรีช่วงเวลาพระพรและก็หลังละมาไอิสประเภทที่สีก็คือเด็กที่บรรลุสุขนาแล้วนี่นะก็เหมือนประเภทแรกให้ขออนุญาตทุกเวลาเช่นเดียวกันเมื่อจะกลับมาถึงเรื่องการแต่งกายการแต่งตัว แต่นี้จะพูดถึงเฉพาะผู้หญิงที่แค่แล้วหรือเป็นชาลาเป็นคนชาาแล้วในอายะที่ผ่านไปแล้วนี่ที่เกี่ยวกับการคุมฮีญาบเลยอายะอะไรนี่ไงอายะที่สามสิบเอ็ดบอกเรื่องอนก็จะพูดถึงเรื่องาการติดบางอารมณของผู้หญิงแต่นี้กี่กับการผู้หญิงโดยทั่วไปแต่อายะนี้นะครับจะเกี่ยวกับผู้หญิงชาา أني ك ا ل ا ه م ْ ف َ م ل ه و ا ل ق و ا ع د م ن ا ل ن س ا ء ا ل ا ت ي ل ا ي ر ج و ل م ك ا ن ا ف ل ي س ع ل ي ه ن ج ن ا ح ٌ ن ي ا ف ا ي ب ه ن غ ي ر م ت ب ر ِ ز ا ت ٍ ك ي ر ة و أ ي س ت ع ْ ف ن ا خ ي ر ل ه ن و ا ل ل ه ش م ي ع ع ل ي م ا ل ق و ا ع ُ جَمُّ ق ا ع د ٌ ق و ا ر ِ ع ُ أ َ ه ْ و د ت ْ ك َ ث ِ و ر ٌ ك َ ث ِ ي ก็คือผู้หญิงที่นั่งนะอีนั่งแต่คำว่านั่งตรงนี้เนี่ยในภาษาอับกีษไม่ใช่คำว่านั่งธรรมดานะมาอธิบายเอาไว้ามาชี้ว่าผู้หญิงที่ไม่มีขวัญไม่มีความหวังในการสมรสในการแต่งงานแล้วไม่มีไม่มีไม่มีความเคลื่อยไม่มีกําหนับไม่มีควา ม, ม, มกำหนับแล้วแล้วเมามอกว่า ا ن ت น ا ี ن ا اللتنة التي توم لا ล ر ض و ن مي ونكاحا. لا و ม ك ا ح لا يعطون مي ونكاحا. لا ونكاح. لا ي ع ม و ن مي ونكاحا. لا ونكاح. لا يعطون مي ونكاحا. لا ونكاح. ม ا يعطون مي و ن ك ا ่ ا لا อ ن ك ا ح لا يعطون مي ونكاحا. لا و ن ك ا ่ لا يعطون مي ต ن ك ا ح ا لا ونكاح. ่ ا يعطون مي ونكاحا. لا ونكاح. لا يعطون مي و ن ك ا ้ ا لا و ن บ ا ح لا يعطون บอ ونكاحا. لا ونكاح. لا يعطون مي و ن ك ن ن ي ك و ا ن ا ل ไม่เป็นการโทษไม่เป็นการลงโทษไม่เป็นการตำหนิไม่เป็นข้อบกพร่องสำหรับเธออันย่บานาซียบาหุนที่จะปล่อยหรือที่จะถอดเสื้อผ้าบา ง, งส่วนของนางของเธอโดยไรระมุตบาริเดศโดยไม่ปเปิดเผยเครื่องประดับประดาหรือความสวยงามท้่มีของเธอเอัลลอฮฺละเเลย ตรงนี้นี่นะก็เมีการตีความพิจารณาเกี่ยวกั บ, <c oughs> มบหมดบรรยัติเกี่ยวกับผู้ญิงที่เป็นบรรยัติผู้หญิงที่เป็นสาวนะแต่ใ น, นผู้หญิงที่มีความสวยงามอันนี้แน่นอนต้องคุยดีดามันสมบูรณ์ต้องคุยดีดามันสมบูรณ์อันนี้พูดพูดถึงอะไรนนี่อันนี้เจาะประเด็นให้ให้ชัดเจนนะนี่พูดถึงผู้หญิง แต่ผู้ชายที่ไม่เปมักครมแต่สําหรับผู้หญิงกับแม่ครอมเนี่ยผู้หญิงกับสามีผู้หญิงกับผู้ชายน้องชายอย่างนี้อย่างนี้จะมีส่วนที่สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้วแต่พูดถึงสําหรับผู้หญิงที่แก่แล้วนะกับคนที่ไม่เป็นมักครมคนที่มักครมเนี่ยอันนี้อันนี้ส่วนที่จะเปิดเผยได้มันก็อันมูลและอันย่าไปแล้ว อันนี้ทำรับที่อาจารย์ไม่ใชมารมณ์แต่ทุยคอนเทสต์แล้บอกว่าใครมีส่วนหนึ่งในเสื้อผ้านี้ที่สามารถถอดได้ส่วนที่ถอดได้คืออะไรนี่ขงข้รที่มีเสที่มีน้ำหนักรอบายอ้าอง ถ้าใหญ่มีการเติบโตไหมซ o ่งที่แน่นอนไม่ไม่ไม่เนี่ยอย่างโตอย่างโตป่ะนะอย่างโตเ m ี่ยจะเป็นโตของผู้ชายหอดีเนี่ยเนี่ยทำรับผู้ชายแค่เจอโตแต่รุ่นนี้รนนีต่รับชายอะไรรุ่นนี้อะไนนี้ผู้หญิงเจอ เดระเรก็คือนี่แหละต้พระผู้หญิงไปยนนะเขาเรดรแต่นผู้หญิงอ่แต่นี่อชาของของีก็้โต้เหมือนกันต่ต้กสหรับผู้ชายสำหรับผู้ผู้หญิงมนเรดรนีอารักตียา้ไม่ได้ราไมรู้กันอะไมใช่กันเขาเป็นาาสูงนะุอานนี่แหละนี่เดนผู้หญิงเริดระแล้วถ้าพูดถึงคาคุ้มนะ ทีเราเรียนแต่น้าตาของเนี่ยนี่ละคือชิมาร์เองกันเลยนะชิมาร์นะชิมาร์ยงนี่นะกับดีร์อะไรเนี่ยเป็นเรื่ิมาร์หือคุณชิมาร์ยังนี่กับดีร์อะไรนี่คือขั้นต่ำที่สุดองการปิดบังรของที่นี่ขั้นต่ำที่สุดนะแล้วจะมีขั้นที่เหนกว่าที่ดีกว่านั่นก็คือการ ติดดังเอร์ารแต่งตัวของบรรดาภรรยาของท่านเลดี้และสาวกเลดี้โซโลสเซที่เป็นผู้นี่จะน่าจะควรมีขีมอร์นและเ็นท็อตมันติดหมดแล้วนะติดนี่คืออนะเป็นจิลบามจิลบามีอะไราหอมแต่หนีไปเลยข้าหอมแล้วข้าหอมยังไง มันะจะเป็นท้าใหญ่โตเลยอย่างล้างเลยและข้างบนสีจะนีลอีกทีนึงท้านี้และที่เขาจะใช้อีกนะใครเคยไปทำให้ดู อ, าอาัาโนมัติอ่ะใครที่เราเนี่ยพูดตีรัไม่ใช่ยี่ ร, ริงชี้าจะยี่ร่างซึ่งเนี่นเาจะดีจะเหมือนกันในทาแบบนี้ต่ก่าวว่าโบราณนี่แหละคือที่ที่ทอาหรับที่ผู้อาหรับโบราณเขาใช้เ า, ออามา้มในดีนะ จิ๋นบ้าเนี่ยที่เขาจะใช้ปิดบางเอาละปิดบางที่ตะบนตะกองน่ะบนหิยาบนขีนาระน่ะจะมีเตจิ๋นบ้อีกชีหนึงแล้วนี่จิ๋นบาเพืจะปิดหาเพื่จะปิดเนี่ยเพื่อจะทำอย่างนี้จะมีตาเดียวอ็นี่อับเบลส์เวลาเขาอธิบาอายะคำเนี่ยมันจะอธิบาอายะองอายะที่สามสิบเอเนี่ยเนี่ยอับลอิบเนี่ยลตอบาเอาาเาเอยไอ้จิ๋นบ้เนี่ย้ตั้งจิานี่้ ให้ตายเนี่ยข้างเดียวให้โผล่มาวด้เนี่ยที่เรียกว่าการปิดบังเอารับที่สมบูรณ์ที่สุดนะแสดว่ามีกี่ชั้นหรือสองชั้นาที่จุดนี้นะแตคือคืมืเดืนเี่ดาวเรือคือเมื่แล้วอะไร่้จอนหรกคเนี่ยตอบมีอะที่ถ้าดีกนั้นนะคือดิลบานี่นะเอดิลบา่มายนุนก็อาะมดิลบา จะทำงไงก็จะมีนิควบนิคก็คือผ้าที่จะมาถูกตึงเนี่ยเนี่ย n ขาเรียกว่านิควบอีกอะไรได้เนานิควบหรือไม่เนนั้นนาะเธอจะเอาผ้าผูกข้างหลังอย่างนี้แล้วเอาลงมาอย่างนี้อเกออันนี้เปดหมดเลยเนาะไเห็นอันนี้เขาเรียกว่าซีดัลเขาเรียกว่าซีดัลทั้งหมันจะไม่ได้ดีก็มีสมมติที่จะไม่อย่างีบาลนน สำหรับผู้หญิงจราเนี่ยควรแก้แล้วนี่นะเพาะะนั้ร้อบอกว่าสำหรับิลบาดินะดิลบาดทีที่จะห่มดนคิมมารละบนยุราคือกามีสเนี่ยหรือโต๊ะนี่นะเนี่ยอันนี้ขอด้อยู่กับคนที่ไม่ใช่มาขรมนะคนแก่หน้านี่นะสำหรับผู้หญิงสาวเนี่ยควร ควรอย่างนี in ้บางศาสนาเนี่นะแต่ชวบ้านเขบอกว่าดิบเลยเนี่ย้าห่มเนี่ยถุงต้งห่มเขบอกว่าดิบเลยแต่ส่วนหน้าเขาบอกว่าเป็นซุนนามุอะสเกดควรย่านควรอย่งนเพราะั้นจึงเห็ว่าิมารบคนในยามเยหมือนเหมือนผ้าห่มเลยันเงอร์ดีที่สุดดีเล่อที่สุดนะครับสหรับผู้หญิงคนแก่นี่นะอัลลอฮฺบอกว่าเพรเป็นสภาพที่ ผู้ชายไม่ต้องกาอยู่แล้วไม่มีใครจะมานั่งเตาทุนเธอไม่มีความสวยงานที่จะมานั่งต้องมานั่งดูเธอมันก็ยิดามยิ่ไม่ควร่ยังไม่ควรอาโน้ลอ่ยากให้ถอดได้แตไม่ยอะมาอ่ายาหรอนา่ว่าถอดนไ้เรานักนี้นะถ้าจะว่าก็ไม่ได้นะคุมอารมณไม่ได้แต่เอ็มฟาติคุมอารมณถ้ามายังมีข้อหย่งนี้ พัล้์บอกว่าให้ปล่อยไม่ถอดส่วนหนึ่งในบรรดาเสื้อผ้าของเธอแั้วมีการระ บ, บุชัดเนอเกมาเหมือนเคยแหะจึงมีการตีความชุดห น, น, นอยอยึ่งระหั่างบรรดาเลยเราะะนั้นบอกว่าดินบาปเนีย่ยถอดได้อยู่แล้วถ้ามันไม่สวยชิตอยู่แล้วนะแบบนี้ไม่ไ้วเลยและอะไรที่เป็นกอนุโลมที่เสียสำหรับเธอผู้หญิงที่ชราแล้วนะแก่แล้วอะเป็นคนจราแล้ว ก็จานักอะจานักทีนักสอนบอกว่าถ้าปีศาจเนี่ยเนี่ยโผมนมนต์ไม่เป็นไรเอไม่ได้ใส่ซีมาอยนี้นะใสตลอดตรงนี้แล้วก็ลโผะปีศาจเนี่ยเนี่โนมก็มาเป็นคนแก่แก่้แต่ากวาเธองเป็นสาวไม่ได้ผมตึ้เดียวนี่ก็ไม่ได้ตึ้เดียวนะก็ไม่ได้เพราะนั่นเป็วามเชื่อของลกนครับ จริงเนีอายานต้องไปสที่โ้นไ่ใช่ทีี่นใช่ปะปีกใช่ใช่ปะใช่ันปะใช่ปะใช่ทุกคนต้องใชทุกคนต้องมีภรรยาทุกคนต้องมีลูกสาวมีบิดามีมารดามีลูกสาวใช่ไหมต้องใช้ทุกวันทุกนต้องไปใช้ต้องรู้ไห ก็บางบางคนนี่บางนางสามีเนี่ยถูกหลอกภรรยามแต่ตัวสวยพืออะไแล้วปตามสบายแล้วบอกบอกว่าทำอย่างนี้เลยแล้วนี่นะตรงอย่างนี้นะทุจริตบางคนทำได้ไอ้สามี t นี่ยก็ไม่เคยจะตามในเรื่องอะไรโอ้ทุจริตบางคอย่างนี้ก็โอเคได้ก็โอเคทีนี้สามีตดู้กาเยคนมีหน้าที่ในการนที่จะดูแลต นี่แหละครั่ทั้งทั้งที่เป็นการอนุโลงให้ผู้หญิงคนชราแล้วนี่นะครับให้ปล่อยหรือถอดเสื้อบางส่วนของเธอนี่นะแต่เ่าก็ยังยืน ย, ยันยืนยันว่าอันยึดถพอศีลนะอยรคนละคน แต่หากวาเธอต้องการความบริสุทธิ์ความสมบูรณ์ในการแต่งตัวนี่จะดีกว่าสำหรับเธอจะดีกว่าหมายถึงว่ายินบ้าเนี่ยที่เชื่อมัน บ, บอกว่าอ๋อนี้ก็ไม่ไม่ต้องการก็ถอดได้นะเอาก็ถอดได้นะแต่แล้วไปยังเนี่นเนยเ่าะแต่การที่เชื่องวดในการแต่งตัวนี่นะจะดีกว่าสำหรับเธอนะครับทั้ง น, นี้เป็นผู้หญิงคนแก่แล้วนะเป็นคนจะอะไรอัลลอฮฺซุลแลมัลลัลฮ์ฮะซุบฮ า, า, านะฮฺวะตะฮานะซุนดิยฺ เป็นอัลลีมุสตูรัตุรูไม่ใช่ในเรื่อนนามมางของการขออนุญาตเหมือนกันเป็นมารยาทเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าไปในบ้านคนอื่นซึ่งบ้านคนอื่นนั้นอาจจะเป็นเพื่อนจะเป็นเครื่อนญาติหรือจะเป็นคนอื่นก็ตามเมื่อเราเข้าบ้านเขาแลว้ว แล้ว่ามีอาหารวางไว้อยู่เราจะกินได้หรือไม่ทางดังี้เขาไม่ได้ให้อะนิยต์ทางดังนี้เรายังไม่ได้รับการอนิยตอย่างเ็เตมอันนี้ก็จะเป็นการชี้แจนถึงเรื่องเหล่านี้เพราะสมัยอาระเพียจะมีจะมีเตพเรียนบางบางประการอุปนิสัยเมื่เยเตพเรียนเป็นนี้นี่ให้สด้กับหลักการบางคนก็ขึ้นมากเกินไป บางคนก็เลยขอบเขตเกินไปจึงต้องมีแนวกลางที่ศาสนามาบังเกิดไว้อะล่าบอกว่าไม่ใช่ على الآم حرج ولا على الأرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الآم آم นี่คือหมายถึงว่าคนตายหมด حرج ไม่มีการทำเนีประจนได้วา على ا ل أ ر ر ج คือนทาาลู จะอาริสภาคนที่คนที่คนคนเมื่อนะคนเมื่อสภานะแต่สภาอนี้จะตบกลุ่มคนพิการโดยทั่วไปด้วยทําไมครับเวลาคนเมื่นและคนป่วยไม่มีการตัณฑ์มันมีอะไรก็ลลอบอกว่าคนพิการและคนตาบอดและคนป่วยนี่นะไม่มีข้อตนณฑ์ถ้าพวกเราไปร่วมรับประทานอาหารกับเขาทําไมล่ะ เพราะทำไาราเบียกที่ระเป็ที่มานะมากนะชิมมากยังไงเขาบอกว่าถ้าไปชิมกับคนพิการหรือคนตาบอดหรือคนป่วยนี่นะและเราเนี่ยสุขภาพดีสบูรเวลากินด้วยกันนี่นะเราได้เกียมีะระดัสูงสูะะงแบบชิมมากเลยคนตาบอดที่เล็กกับคนตาบอดจะเห็นมเขาจะรู้มเนี่ยอรที่สุดแล้วก็บอกว่านี่ไปกินด้านโน้เลยมายุ่นด้านนี้ ฮะต่คนตาไม่รู้วใครจะอะไรมันก็ต้องจะกินไปี่ยม้วยความขีงนี่านตาอดเนี่ยเดี๋ยวหลุมเขาอไปาหาเาไปน้ำเมือกเขาขาจไปกินกเาในเขนตรงนี้นะ a l l a บอกว่าไม่ไม่มีข้อจำกักินกันได้แต่ตอนน้นนะมันข um ีมเอารกับนตาบอดนี้อเดี๋ยวหากวฉันไปยบอะไรแล้วเอยากไปยบนี่มัไปอยู่หลุมเขาได้บอกว่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้น นี่จะเป็นคนที่จะเป็นคนป่วต่างตี๋สำหรับเป็นครึ่งมากแล้วก็บอกว่าสำหรับพวกนี้กินได้ไม่เป็นไรมีสเตงไม่นเพิ่งนะตอเทศที่เยอะอยู่ต่กับบุกอังกับคนตาบอดคนพิการไม่เอาเออเอาอะไรเนี่ยอัก็บอกว่าอย่าทำอย่างนี้กินกินได้ไม่เป็นข้อตงสำหรับพวกเจ้าไม่เป็นสิ่งที่จะตกงพวกพวกเจ้า้วพวกเจ้ามากินกับพวกนี้ แอ้กัอันนี้ก็เป็นมารยาทส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมต่างๆว่าละว่ ล, วลอันดุติคุณอันจะกลุมินบุูทิคุณเราไม่มีการตัมม้งหนี้ใดๆสำหรับพวกเจา้าแต่หากว่าพวกเจ้าเข้าไปรับประทานเวลาใดที่ใดๆในบ้านของพวกเจา้าในต่ลเ ม, มื่อเป็นบ้านของเราอยู่แล้ว เราเห็นอาหารมาตั้งอยในบ้านขอเราเราไม่ต้องขึ้นไปถามทุกข้องมาไปถามทุกคนเลยให้ของกินเนี่ยฉันกินได้หรือเปล่าขออนุ้าตกินเลยไม่ต้องเลยเมื่ออยู่ในบ้านของเราแล้วเนี่ยนะเราต้อบอกว่าไม่มีข้อจำกัดใดๆได้ว่าเราินในบ้านของเราทุกเมื่อทุกสถานที่เมื่อมันอยู่ในบ้านในที่ของเรานะครับคําว่ามูโยี่คุณบ้านของกุณตั้งโอละมาวิคราว่กว่า ด้านของตัวพวกเจ้าเนี่ยนะก็คือที่เป็นกรรมสิของเราและตัวเป็นบ้านของลูกหลานของเราอับางท่านบอกว่าบ้านส่วนมากเราเลยว่าบ้านของลูกลานเนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของพวกเจ้าในตัวทำอย่าพูดถึบทนิรันดร์บรรจุโดยอัลฮัมมั่ิมุสุสแต่เป็นข้อพิสูจน์อื่นอันดับที่สุดละอัลลอฮ มีชายคนหนึ m งมาขัดแย r งกับบิดาของเขาเด็กชายเนี่ยมาฟ้องนบีบอกว่าพ่อเนี่ยหยิบตังเราไม่บอกแล้วก็หยิบตังแล้วก็เอาตังไม่ได้แล้วไม่บอกแล้วเดชายคนนี้ก็ไปไปฟ้องนบีบนพ่อก็มาด้วยท่นานนบีก็เลยบอกอัตวมลวาลลอบกะอัตวมลวาลกลอบกะเอ และทรัพย์สินของท่านเป็นกรรมสิทธิ์ของดดาหรือว่าทั้งท่านแล้วกานเจ้าลงท่านเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของดีดาไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นทรัพย์สินของท่านเนี่ยดีดาของท่านเนี่ยจะใช้ไม่ได้ของเคาบดจะแปลว่าเค้าไม่ได้หาริสกะบฮาริสอ่านนะแต่ละมาก็เอาอีฮาริบวัดนี้เนี่ยม่มีความอาวบอกว่าเราทรัพย์สินของลูกก็ถือเป็นทรัพย์สินของเราก็องเรียนว่าบ้านของลูกเนี่ย้นบ้านของเราแสดงว่า เราจะเข้าบ้านของเราเองมีบ้านของลูกหลานของเราอยู่นะเราก็รับประทานอาหารได้จะเข้าบ้านลูกของเราเนี่ก็ไม่ต้องนั่งรอลูกจะเออลูกจานฉนกินหรได้ป่าเมื่อเป็นลูกบ้านลูกของเราเราไปกินไดน้นี่เป็นการอ่านเลา่าประจันตุสุภานุแต่อัลลอฮฺอีกท่านหนึ่บางท่านนะท่านบอกว่าไม่เกี่ยงเราได้พูดถึงบ้านทศเจ้าอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงบ้านลูกหลานของทศเจ้ า, จายยอันรอย่างเ้ยก้องออกไป อังยูยูที่เ อ, เ อ, อ๋บออุหรือจะเป็นบ้านของดิดาของพวกเจ้าเช่นเดียวกันถ้เป็นบ้านของบรรดาดิดานักดิดาในไม้ตูว่อะดีดารูกตูว์ลูกตูว์ที่วดอย่างเงี้ยถ้าจะเข้าบรรดาบ้านพ่อพ่อหรือบิดาของพวกเจ้าเนี่ยก็รับประทานอาหารได้โดยไม่มีข้อจํกัดใดๆแล้วก็ไม่ต้องมีการขออนุญาตเมื่อเข้าแล้วและมีอาหารนีก็รับประทาน ไเลยเอาบุญยุติอุมมาที่คุณหรือบ้านบันดาปิมันดาของพวกเจ้า iah. เอาบุญยุติความนี่คุณหรือบันดาพี่นะ้อ <c> ง <oughs> บันดาพี่ชายน้องชายของพวกเจ้าเอาบุญยุติอาขวะที่คมนนะุมหรือบ้านของบันดาพี่สาวน้องสาวของพวกเจ้าเอาบุญยุติอากมามนี่นุหรือบานของบังดา พี่ชายน้องชายของดีดาของพวกเจ้าอาหรืูแต่จำเป็นต้องเป็นพี่น้องกับดีดานะจะอยู่ลูกพี่น้องนะต้องเป็นพี่พี่ชายน้องชายแท้ๆเลยต้องอามาที่สุดเอาผู้ยุตอามาที่กลุ่มเรือลำของบรรดาพี่สาวน้องสาวของบรรดาดีดาของพวกเจ้าจะอยูู่กน้องไม่ได้นะต้องเป็นพี่พี่น้องพี่สาวพี่น้องสาวนะ ถ้าเป็นบ้านของพวกนี้เนี่ยจะเข้าเห็นอาหาไม่กินได้เลยนะครับเป็นการอันเนี้ยหมายถึงอมายถึงว่าถ้าเราเขา้าเข้าบ้านคุณอาล้วมีอาหารกินน่คุณอานี่ไม่ควรทีจ่จะจะหีววกมากินในเข้าบ้านมันมากินได้ไไดยงเนี่เพื่อเป็นหลักระดับเนี่ยตักนี้นะนต้องเป็นการอันเนี้อยู่แล้วเมื่อเมื่ออนเนี้ยไม่เข้าบ้านแล้วเี่ยก็กินได้แล้วเออียเว้เนจะเขามี ข้อ wow. ห้ามให้เกมเป็นข้อย่ำโอลเซ่เข้าบ้านเห้ามกินเลยเพราะบางคนนี่อันตรายเข้าบ้านนี่กินเครียดเลยเข้าบนี่เิข้าบ้านนี่ต้องระวังมีก็ต้องเารเจตนารมณ์ของคนทุกบ้านเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเป็นมารยาทีละอีกอันหนึ่งแล้วเรานเอะไมรารืงนู้นจะเข้าสังเกตล การจะเขาก็เป็นจริงอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่าประเทนี้บางที่บางท้องถิ่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นซึประเทศี้วัฒนธต่างๆนั้นที่ไม่ข้ากับหลักศเสนาในศาสนาไม่ว่าประเทศี้วันธรรมละประเทศนี้วัฒนไม่ข้ากับหลักศาสนาในอเมรนะแต่ถ้ามันข้ามกับอามี้นีเราต้องจากประเทศนี้นั้นเข้าท้องถิ่นเราต้องสนใอันนี้เราต้องเข้าใจอันนี้เราต้องเข้าใจ เพราะบางอย่างเราอาจจะเขาะ้าใจวเออเรื่องนี้มันเข้าใจอยู่แล้วสําหรับบางบางเรื่องในเราเนี่ยอาจจะอย่างงั้นแต่บางท้องดิบอาจจะไม่เช่งนั้นจึงเขาเอองี้จึงต้อ ง, องตอ้งแจแขยุตตาเพนีหรือว่าธนธรมของเขาเอาบุญยุทธิ์ที่ขวัลิบุ้มหรือบรรดาน้องชายพี่ชายของบรรดามามดาของพวกเจ้าก็คือนาละลุงอะเอาวุญยทิี่ขวัาที่ตุ่มหรือน้องาวี่สาวของบรรดาของพ ว, วกเจ้านาหดีป้า เอาม้มนตุมนาแฟที่หาหูหรือด้านที่เราได้ครองตุ่แจของมันเช่นคนมอดหมายให้เราเนี่ยดูแลบ้านเขาจุงใจทิ้งอีกที่เราเราจะเข้ามาแล้วจะเข้าได้เมื่อเข้าให้ตุญแจแล้วนี่นะก็ถือวเป็นการอนุญาตเพราะนั้นเราจะเข้ามาดูว่ามีตุ่นแจเข้าบ้านเขาเข้าบ้านเขาแล้วก็มีอาหารอยู่ตียงอยู่กินได้ดินมารู้ไม่ถึงว่า โดยไม่ละเมดขอบเขตไปสิกเขาให้ตุนแจแล้วก็เข้าบ้านอ่ะเตี๊ยมเนี่โอ้โหเอาของออกมาใส่เงินเแบบไม่เอมอกว่าพมาดูเปไเจไม่วยไม่เลยขอบเขตเอออยู่ในแนวกลางนกลเดกัมสวแต่คนลุงเอาดูแลวนแหนแ้เยมีมวงมี คนมาเรืงกัรนี่หยิบกินได้ไม่มีปัญหาเมื่อเราคลองปิ่นแจอยู่แล้วหรือเราเป็นผู้รับการมอบหมายอยันนี้ไม่มีปัญหาแต่ไม่ไดีดแล้วเกิดเมื่อะไรตับบ้านเร า, มาไม่ใช่ไม่ใช่เอาสวีทซ์ปุมหรือแม้แต่เรื่องบ้านเพื่อ น, อนเพื่อนบ้าน้นเพื่อนอยู่หอพักด้วยกันอหรือไม่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนจำเอาฉันจะเดินทางไปสามวันแล้วฝากุญนแจหน่อยเอากุญแจแล้วเดวก็ก ดูแลอะนี่เข้าบ้านไปดูแลแล้วจะมีมีอาหารนี่มันจะกินได้ไม่มีปัญหาเพราะตอนทีให้คุณเจแล้วนี่ก็เหมือนเหมือนกับว่าอนุญาตให้ให้ทําสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับสมมติตัวมีวัฒนธรรมหรือจะเมีบางท้องถิ่นเราก็ไม่เกี่ยวม่ค่ยดูแลทางความใจอย่างเดียวอาหารไม่เตอต้องห้ามแต่ต้องไม่เกี่ยวถ้ามีถ้าใครมีวัฒนธรรมมีความรู้จะเรื่องนี้ เอาทุนะมีนิสัยสั่นบางขนาดนี้นะต้องทำเพราะสักแตนานปุ๊บเราต้องมีใจมุ่งแตุ่นี่ก็หมายถึงว่าใครครองคุณแย่รดูแลสถานที่นึงสถานสถที่ใดงนี่นะก็เปี่ยนตัวเหมือนเอดกินได้แต่กน้เยเขามาโห่วว่าต้องต้องต้องเฮงเฮงเฮอไ่มันพอรับได้มอรับไ ราดาไมอาลัยสินุลุมเป็นข้อตำหนิใดๆแราพูดถางอันทะคุณูญะาณหาว่าพวกท่านมีความประสงค์พิจารณ์ร่วมกันหมายถึงกเป็นกลุ่มเป็นหมู่ฮะกินเป็นกลุ่มเป็นหมู่กินด้วยกันเราบอกว่าไม่เป็นข้อตำหนิใดๆอันนี้ก็เป็น การแก้ไขนิสัยบางคนที่ไม่ชอบกินกับคนอื่นอบกินคนเดียวและโดยเฉพาะคนที่มีประวัติตรงนี้เนี่ยด้านความประนีมมีอดีตคนหนึ่งเนี่ยทำหนังสือเนยหนังสือเกี่ยวกับเป็นที่มีคนที่เหนียวอะ่ะมักจะมี น, นิสัยแบบไี่ชอบกินคนเดียวไม่ชอบเกินกคนอื่นแล้วก็เป็นนิสัยของคนที่ชอบกินคนชอบกินอาหารนี่นะ นักจะชอบกินคนเดียวไม่ชอบแบ่งคนอื่นกินคนเดียวจะได้อิ่เนี่ยตู้กคนอื่นไม่อิ่แล้วเากไม่เป็นข้อจกัดใดๆในการที่พวกเจ้านจะกินร่วมกันเอาอัจจาแต่รู้อเดียวเดียวอันนี้ก็ไม่เป็นข้อจำกัด้ายาจะกินคนเดียวนี่ก็ได้ตรงนี้จะตรงนการเจ้าไขนิสัยบางคนแต่เป็นนิสัยดีของชอบะก่อนูนมีขาหนึ่งแ่ไม่มีคุนานาหริคิน่าน ชารับแต่เผ nice. ่ามีนะไปดูมากแต่กินอาหารด้วยได้ก็ตามนะกินคนเดียวไม่ได้ต้องไปหาคนคมาชิมด้วยถ้าหากวอยู่คนเดียวนี่ม่นาไม่เมอาหารไม่มีใครนต้องเดินทางไปหาคนเพื่อมาิ้วกันานี้แล้วเขาบอกว่ามารยาทนี้เนี่ยเป็นมารยาทีมดองต้นศสท่านอิบรฮมอะลัยฮสลาท่านจะรับชาตุมีคนเดียว่กิน เอวมีไนเยงรังเนียพาหาเวนลนี้งจต้องเดินทางไปหาคนดยเพื่อจะได้รักษาวิัยของเขาตรงนี้ามาบอกว่าไม่เป็นข้อจัใดๆในการที่จะิดก็ได้นะครับใครจะดขุมบตันฟสลิมอะลัยอัลกุสุขุมดังนั้นในเมื่อัลลอฮฺอนุโลมอะไรสุ นีปฏิ ก, กิิยาเช่นนี้ในการที่จะเข้าบ้านคนอื่นจะเป็นบา้านของยวกเจ้าบ้านของญาตยอดของยวกเจ้าของเพนเพื่อนของพวกเจ้านั้นใช้วลาเคลต่อนตัอยู่ันเมื่อพวกเจ้าได้เข้าบาา้า น, าาานอของคนอื่นอาจารย์ลิมัวและอัมพุสิกุมก็ต้องให้สลามกล่าวคำนักกล่าวคำสลามเมื่อเข้าบ้านคนอื่นเนั้นเป็นจะ่ให้เป็นคำนักมิหนีดินแม่ให จากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ทรงบัญญัติให้แก่พวกเจ้ามุบารกักะเป็นการเป็นเป็นการให้สลามที่มีความจำเริญไปยึด้วยกันที่มีความดีนามสําหรับพวกเจ้าจากกะทบานนี้แหละพูดถึงด่านคนอื่นบ้า น, ล, าน آ, ลุงบ้านอาเราเข้าแล้วไม่มีใครอยู่อลเราก็บอกว่าเข้าแล้วไม่กินอาหารได้อาเราบอกว่า冷冷นี่นอัลลอฮ์อันเนี่ยไม่ก็การทำอย่างนี้นะทุกตัวอย่างนี้นะอันเนี่ย ก็เจ้าก็ต้องมีมารยาให้มีความสวยงามได้มีความเฉยงายงามในการที่จะเข้าไปอยู่ในอำนาจของสถานที่คนอื่นเมื่อเข้าบ้านคนอื่นแล้วเนี่ยไม่มีคนอื่นอยู่ในบ้านกเจ้าอย่างน้อยนะก็ต้องให้สลามในบ้านถ้าไม่มีคนอยู่ในบ้านข้ามันก็จะฉลาดว่าอะไรก็คุ้มก็ให้สลามแกก็เจ้าเองไม่จําเป็นต้องเข้าบ้านหรือต้องมีคนนะต้องไม่ยุ่งเสียวคนบ้านใครก็ได้ سَمِيْتُنِ الرِّمَنِ الرَّمَنِ لَتَسَاقَطُ هِيْ السَّلَامُ الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ أُلَمَا مَنْ جَمِّ فَحَرَمَ جَمْ بَقَى كَوْبَانِ مِنْكُنِينَ هِيْتَ الْعَمِيُّ الْسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى أُوْبَاءِ اللَّهِ الصَّلَوْحَ ف َ أ َ ن ِْ ر ْ ق َ ا ع ٌَ ن ْ د ِ ت ق من غ ي الورين ن ي رجعنا الصحابة لنبينه، ر أ و منيرين و ر و ا من رأوا السلام، هاي تورا و ل ب ن د ب و ل ن ب ن د ملاكا ج ت رأس ل ا م ر ا ل س ك ا ي ن ع ت ن م ر ه ا ب ا ن ك ن ن ت ه م ي ي ا ن ولا كاي ا س ل ا م السلامين ناي، السلام ينبوشوا بع ا ل س ل ورحمه الله وبركاته، فرد ا ك ل ا م ا ل ح ا ب إ ذ ه س ل ا م عليه و ع ل عباد الله ل ا ل ل ل ي م อาจารย์ก็เช่นั่นแหละมารยาแบบเราเราบยินอุณาหัวละทรงที่จะทรงที่เท็ n แล้วก็หมายแค่ส่วอันายบบเราอุส่าห์บทคมเนีต่าละอัลลกุมตดราใช้ปัญญาเวาบอกว่าเนี่ยเราเรียนมารยาจต่างที่ศาสนาสอนเราต้้ปัญญาอัลลอฮต้องการอะไรอสิเจตนารม ความประสงค์ของเรานต้นกานเรานี่ยทำยังไงมีอะไรตระหนีเล่หรือวาะาัลาเราก็ทำตามมารยาทของเราในการสอนนี่เชเลยครับ่อไม่มีใครกล้ามานั่งเลยมีใครกล้านั่งเลยเนี่ยเออเชเลยไม่มตีใคร ไอ้เนื่นเลยวะจ๊ะใช่ท่านนั่นเน่ยจะทำยังไงปัญหาเขาต้องใช้ใครละใช่ไหมฮะแต่รอรอบางยึะรู้เลยว่ามารยาทการขออนุาตนั้นไม่ดเกี่ยวกับเรื่องเข้าบ้านออกบ้านอย่างเดียวเลยไม่ใช่ เมื่อกระทัมารยาทระหว่างบรรดาผู้ศัทที่รวมกันในกิจกรรมนั้นกโดยมีผู้นำอยู่ในกิจกรรมนั้นเป็นมารยาของบรรดาผู้ศรันั้นก่อนที่จะแยกตัวจากกิจกรรมนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตผู้นำทิ้งไปนัุลจะมานนบีสุลจะเป็นสงครามรือจะเกิจกรรมการตรียมตัวทำอะไรในสงคมนี้นะ صحاب ตอยู ancies, so you, ่กับท่านนบีสมน์กับท่านนบี่ว่านนบีนีแต่วัตมนักบวชเพียงเดียวตลดระบุสภาพนหรือสายตัณฑ์หงส์วัตมนับเพียงเดียวอยากจะมีกท่านนบีสุลลัลละซัะแกันแบบนี้อะไรกันกัท่านนบีแต่บางครั้งสักคาวนั้นเมื่อตั้งตารถ้องตัวจกรรมนั้นเนี่ยก็จะไปหาหน้าบีแล้วขอเี้ย اللَّهَ ق َ ا س َ ف َ ن ََ ا ا ن َ ا ق ُ و س َ تَعْتِلِ مَرَائَتِنِ ل ا ي ب ق َ ى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ف َ إ ِ ن ب م َ ل ن َ ا ق ُ و س َ ت َ ك َ ب ُ ر ُ ا ل ن َّ ا ق ُ و ت ِ س َْ ل ا اللَّهَ ن َ ر ْ س ُ و ل ف ك م ْ ر َ أ و و َ إ ذ ا ك ا ن و ا ع ْ ه ُ عَلَى أ م ر ج ا م إِذَا كَانُوا ه م ُ ي َ ق ح َ و ْ ي ُ ك َ ل ِ ب َ م ْ كَفَنَ อาเลอัมรินไม่ทิชเตมันทิชเตมไ ت เจ้าหนี و ินเป็นทิชเตมส่วนรวมเป็นทิ ا เตมจำมาและเมียฮบูเขาจะไม่ขอตัวไปเขาจะไม่ออกพ้นไปคือจะไม่คือจะไม่ไม่เลื่อนตัวออกไปฮั ى แต่ยักษ์แต่ดี ا ุจนกระทั่งจะขออเมียจ ل กท่านอัดุลลาห์นะน ก็หมายถึว่เป็นคุณักของรนี้กิจกรรมวรวมอยู่ไปนงไปขอีมีกิจกรรมรวมยเข้ามาร่วมเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วเนี่ยเสนอตัวแล้วนะล่ีนตัวใหญ่แล้วหยุดไหนคุนั่งไปไหนแล้วอ่ะแล้วเอีขอีขอีสหรับชุมชนับการจัา لا بينا لا، يناله، فعله، حتى السرير مرياتي سويا عمله كاب، يا رب الشمس ن ن ا و ن د ه ب في بعض، إلا الذين يستزينونك، بنافذ ق ا م يقطع في ت ل ن ب أولئك سلوا نلا، الذين يؤمنون بالله سلوا نلا ي ك م صيغة تامه الله رسول ا ر ل ه ع ن ك د فإذا استعدناه لبعض جل، إذا استعدناه ه ا ت ا و ح ة وضيقة أمياء كان لبعض شعير، ل ب ن ض رُنْعِ ب َขْ س ُ و ن َ ا ل ْ ح ِ ك م َ ة َ ب ِ س ُ و َ ا ن ِ ه م ن ش ك َ ن ه م ْ ا ك أ ن ا ك َ ي ُ م ي ا ء ك و َ ا ي ن ح و َ ا ل ْ ج َ ا ه ِ ي و ا ل ْ ج ي ا ي ن ت أ و َ ا ل ا ل ي ا ه و ا ل ل و ا ل ه ل ك ขอความอภัยโทษให้แกเขาด้วยอย่าบอกว่าให้รางวัลเขาด้วยคนที่มีรยดสูงอย่างนี้เนี่ยเมอมีกิจกรรมสนรองเนี่ยนะมันก็มีเขารกว่าเขารกว่าวิในส่วนรวมผู้จิตเป็นติดผัเดมีอะไรทำอะไรก็ต้องถอนเงี่ใช่เพิงถอนโดนก็ถอนเงียอ่อกว่าคนประเภทนี้เนี่ยคนมีเสน่ห์ลักษณะแบบนี้เนี่ยให้อนุญาตเลยแล้วเมื่อเขามาถอนเงียะแบนี้นี่นะขออภัยโทษให้เขาด้วยว่าสติหลังมุม อินนั он, ่ลลอฮฺอ um. ัลลอฮฺสุรุห์รหฺมดังนั้นเราจบนิเวศน์ของเราส่งให้ใครส่งไม่ต่างกันแต่ไม่คมารยาทอย่างหนึ่งมารยาทการเรียกการเรียกท่านนบีสัมบิลลาห์นะถ้าจะหมายท่านนบีถ้าคนที่เคยรู้จักนบีเลยควรจะเป็นนบี ตอนนี้จะเป็นนบีนี่ก็คุคีกันเือคีกันยกันไใช่ไหมแต่ตอนนี้จะเป็นนบีนี่ก็เจอเนี่ยอะ Muhammad เองเือกันใช่ไหแต่หลังี้ถ้ามนบีจะเป็นนบีแล้วก็ยังนแล้จะมาเร่ไร m u h a m d เองแล้วก็ไม่ได้แล้วเฮ้ไม่ได้ละ ت a ع ل و ا د ع ا l a ل ر س و ل بي لكم كدعاء بعضكم بعضاً ละ تجعلوا ดว้วยการเรียก رسول ของล l l a h เนี่ยใม่ด้ตั้งแ่วางศัตรูการใช้คาเรียกตั้งแตการที่เราทเองีเนี่ยที่เราเรียกแต่ดวยการที่ตั้งแต่เหมืท น, ท, น ท, ที่เราเรียกกันเองเี่ยเรียกเพื่อนเรากันเองนียอย่าทำอย่างนี้อย่าใช้คาที่เราใช้เรียกตเรากันเองเนีเอามาใช้กับมิลดีะเอามาใช้กับมิลด้ เราทำอะไรอ่ะแล้วเราบอก่าต้องใหเกียรตินาีใครเกียรตินาีไงกต้องดยตแหน่งไระแ้วเราก็เอามาจะพูดแหละเวลา r ังอยู่กับผู้ใหญ่กับคนดีมีี่ต้รกยตำแหน่งคนมีตแหน่งในสังคม่ไปเรียกโดยราแหน่งนี่ะือวิมารยาใช่ไมย่ิตงรูอย่านีน่ยเราก็บ่ต้องียกโยตำแหน่ง แต่ตำแหน่งที่ต้องให้เกียดคือตำแหน่งที่มีเกลียดจริงๆไงนะไม่ใชตำแหน่งที่ตำแหน่งที่ได้กันมาแต่สิลามนตีสิลมันตีต้องเรียนสิลาสมันตีต้อมีออออการเาะ l a h ต้องเจาะให้ได้พี่จานพี่ตัวตายลอยๆไวอยนี้ก็ต้องมาเจาไม่ไดีอะไรเนะ ข e าแล้วละทุกข์ว่าอัลเลาะห์นะจรินบีนะยย ل ัลลอฮ์ยนบีอัลลอฮ์ยะ رسول อั a ัยนบีเดียวกันเมื่อเราเองเนี่ยเวลาจะใช้นามสิ่งท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮัลลัมคว่างย่ที่จะให้เกียิท่านนบีในทางตานบีของเราได้กล่าวราซของเราได้กล่าวแต่กล่าวมุฮัมมัดกล่าวเ่เอันนี้ไม่ควรอันนี้ไม่ควร ا ل محمد ر ض و ا الله النبى محمد ر ض و ا الله نبي <مهما> محمد <مهما> ونبي <إيمان>. نبي محمد <مهما> وراء نبي محمد جاوة محمد جاوة ي ع ن و محمد يعنى هاي محمد اه امة ع م <مهما> محمد ไม่ให้ตำแหน่งระดีน้อยนะส่วนมากจะใช่ระดีมุฮัมมัดนะที่เขาที่ได้ยินอะไรแต่สิ่งที่มุฮัมมัดยังยืนนี่มันจะน้อยน้อยไม่เท่าไ m ร่ค a ับยะละม a สลิบีน a ล i n ซับ s าตุลมิไซ ผ on e> <lah> ู้ที่จะตทอาหนุนองกุคุมโดยหนุนมหนนจะคิดจะทำอยู่รวมกันจะคิดจะรวมกันนะพวกมุนาจิตินจะจะพยยามอาปลีอาแต่เราีตัยงจไมนีันะไมมอีะทายนนีไปนะครับแลนี้เป็นจนาริ่งพวกนี้ นวสุว่าเป็นนิส ah ัยหรือเป็นเรื่องเป็นกรรกระทำที่สร้างตังหะในอีหม่านในชีวิตขอพวกเรานีนะครับนยั่งน้ที่นั่งทมิฟนอันอัมรีฝืนคำสั่งของดอนนดีสัมมาโลกเจ้าหน้าที่พวเขานั้นระม a n ระวังย a n งยืนใระมัระวัอัตบมิเ เราไม่ระวงว่าอย่างไรเหตร้ายเลวร้ายเกิดขึ้นแก่เขาเอาอยู่ซีบางมหาวิทยลัยรือมีการลงโทษอันเจ็บปวดที่จะประสบแก่เขาแต่หมาถึงว่าผู้ที่ไม่รับผิดชอบรวมที่เป็นากทนศลลย้นะนีละลานี้มีความรับผิดชอบต่อสังคมคนเลานี้ เมื่อร่วมแล้วเมื่อเสนอตัวแล้ว่างนันมีกิจกรรมวตแล้วเสนอตัวให้มีกิจกรรมต้นแบอะไราง้แลนตัวไปนี้ไปนี้ไม่อยากจะทางานไม่อยากจะทางานนะเอา่ะพวกเรานี่ให้รามระวังว่าทิ่น่าจะเกิดขึ้นในชีวิตแบบีกเ็นเหต้หรือความความที่เขาจะไม่มั่นคงในอิมันของเขาที่มันมันบอกว่า สิบน้าตังีเนี่ยคือการลงทิศในดนี้หรือการที่จะตอกมรดกศาสนาเองคือคนที่ทำตัวเองเนี่ยคนที่ไม่รักพิชซ่าศาสนาเมื่อตอนเราเตรียมยาเมื่อตอนเราจิต่อสู้กับกตรู้โลไอ้พวกนี้นระไทไม่อยากจะพิชซ่าเพราะเราในนี้เราต้องการเกินสิบล้านในชีวิตของเขาสิล้านั้นคือการที่เขาวข้าใเป็นที่ลงที่ หือจะเป็นคที่ตมูลาเลยเอาอยู่ีงรื่องปรโลกันเกียจะมีการลงทัวย่างเจ็ดปวดที่ขาจะรสัตยันแน่นออนั้ลลอฮนาวาตีแท้ริชาบแทกันโดยทั่วไปโดยทั่วกลแท้จริงเลมฮิาวาตลอฮฺิงที่ในเชงฟ้าและแนดินทั้งสินทหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอเดียว แต่เดียวเล่ามุมาอันตุมาไกลบุละลส่งรَ้ดิ้งสาบสิ่งที่ م ราทำ lang dam mel kam lang dam roenganu แต่หมายถَงว่าสิ่งทَْ่รْใช้เป็นมาตรการเป็นกฎเกณฑَในชีวิตของเรานََ่ะส่งรู้ดิ้งว่ ن َย่ามาอยู่เจ้าหน้าอَ่นแล้วละส่งรู้ดิ้งِิْงَี่เขาเขาจดจำที a a h a l a h จะร สธิพที ek, ่พวก็เป็นสต๊สบสห้นับถือุมบิมะมิลูดังนั้นในโลกนี้อัลลอฮจะแก้ให้แก่เราสิ่งที่เราเคยกระทำในอดีตอัลลอฮฺจะแก้ใ้แก่เราสิ่งที่เราได้เคยทำในโลกดุญยานีอัลลอฮฺบิกุลิเชอุลอาลิมและอัลลอฮฺอุบ์านะฮฺวะซาลาทรงรู้ยิ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่อยู่ในโลกนี้และในโลกหน้าซูรานมูรจบท้ายด้วย อาญนี ي ي ้ซึ่งเป็นการกฎที่สวยงามที่ศุดาญาณบทเบญจเป็นการต่างๆที่เรา سبحانه ต่อไปที่เราให้ประชาชนที่บรรดาบุคคลนั้นเกี่ยวกเหมือนเป็นอามานะขลับมาพวกนี้เนี่ยเป็นการต่างๆความสว่างอนูรักษ์ที่มาบให้เต็หัใจแล้วให้เป็นกเกณฑ์เป็นมารยาทเป็นกฎหมายแห่งชีวิตของพวกเจ้านั้นเป็นอามานะ มาอลลอฮฺรูดีเยี่ยงนี้จาพำประโยชน์ข้ามอยู่ในเล็กน้พยกจ้ามใช่หรือไร่ใช้กฎเกณฑอะไรใช้มารยาทของใครที่ก็เป็นข้อตัดเตือนยืนรุนแรงมากอัลลอฮฺรู้ว่าเราเนี่ยต้องเข้าบ้านใช้มารยาทกันขอเนื้อใส่ใครประเพณีอะไรอัลลรู้รู้ดีย่งว่าการแต่งตัวของเราการแต่งตัวจะเป็นชายหรือหญิง สิงทีลลอมอบไว้ในกุรอานเป็นตระหรมุงกระองความสงค์ของพะสุภาพนาวตารที่มอบว้ให้ผู้ชายเนตงตัวย m งไงผู้หญ l งเนี่ย a ต่งตัวยังไงอัลลอรู้ยิ่าพวกเจ้าเนี่ยกำลังทำตัวกันยังไงในโลกนี้และในโลกนั้นวันเตียมันอัลลอฮ์จะจะบอกวันที่ดุนยาเนี่ยจำได้ไหมอัลลอฮ์บอกวาคน้อัลลอฮ์่คนนี้อัลลอฮ์บอกตัวเงอัลล์บอกเรามวัตจะบอกอัลล์่นยยังได้ เราหาคนอื่นใจร้อยคนอื่นเดี๋ยวนี้เรามบบมือวให้ทำหมด <c oughs> เรารารู้ว่าเราทาอย่างเครน่องแคบหรือไม่แต่กนะับละวันเตียมานีก็จะเป็นการแจ้ง <c oughs> เป็นการเสนอบัญชีว่าใครได้ปฏิบัติสิของเขาตามบทบัญญัติล้าเรื่องวาการอะไรได้สวยในสุรษัลมูร์ทีน้นครในสุรัลมูรจะมี บทบัญญัติเกี be be ่ยวกับเรื่องดินาการลงโทษของคนที่ทําดีนาแม้ว่าจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วหรือไม่มีครอบครัวจะเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับคนที่ต้องการแต่งงานกับคนที่เคยทําดีนาได้หรือไม่ที่นี้บทบัญญัติเกี่ยวกับคนที่กล่าวหาใส่ร่ายคนอื่นทีาทำดีนาลงโทษอย่างไรที่บทบัญญัติเกี่ยวกับตามใส่ร่ระหว่างภรรยาสามีในเรื่องการทําดีนาจะจัดการอย่างไรนะครับ จะมีมารยาทต่ตางเกี่ยวกับสังคมเมื่อมีข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลที่เคยทําบิณาหรือถูกเปล่าหาว่าทำบิณาบรรดามุมมินมต้องทํำตัวอย่างไรต้องทําใจอย่างไรมีมารยาทที่มีระเบุไว้โดยเหตุการณ์ของเช่นยกรชชเป็นตัวอย่างเป็นตุคษาหอนที่มีอุนท่าสําหรับการช า, ชา่วออิสลามมีมารยาทที่อัลลอฮฺสุบฮานาาะฮูตะละได้กําหนดไว้สําหรับการ ระมัดระวังในการใช้ลิ้นในการกล่าวเหินแต่ไรคนอื่นแต่ก็มีมารียะเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อนที่จะเข้าบ้านคนอื่นมีมารียะเกี่ยวกับการตรักษาอวัยวะสายตาอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะอวัยวะเพศในการที่จะนั่งเมืออ่อกระทำศาสนามีมารียะต่างๆเกี่ยวกับสุภาพิบัติในการแต่งใจในการแต่งเคแต่ตัตตว ไปบกับคนอื่นจะเป็นมั่ครรมหรือไม่ใช่มั่งคัก็ตามมารยาทเกี่ยวกับการแต่งงานเกี่ยวกับการสมรสกันให้กิดอระหว่างผู้ศรัาชายกับผู้ศรัทธายมารยาทเกี่ยวกับการระงับอารมณ์ระงับความเครียดเพราเราไม่มีความสามารถในการแต่งงานมีมารยาทเกี่ยวกับการรักษาจิตใจด้วยการรักษาอิมัลโดยมีอิทธาฮอลเกี่ยวกับอ เกี่ยวกับหัวใจของนมนุษย์ที่ได้เปรียบเทียบเสมือนอตะเกียงนะครับที่มีจะมีไฟและจะให้มีแสงสว่างในบริเวณจะณีมารายาทหรือจะมีการสั่งสอนเกี่ยวกับลักษณะของคนใจุ่งที่ไร้ผลไร้ผลบระนนะครับไร้การทำที่มีคุณค่าสำหรั บ, บวันอัครามี การเรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธานน้นพิจารณาสิ่งที่เราทรงสร้างไว้เป็นธรรมชาติในโลกนี้ให้เป็นบทเรียนจะได้เรายิ่งพลายศิษย์ตะล้อง سبحانه หัวใจในมารยาทเกี่ยวกับบรรดาผู้ศรัทธาที่ต้องยอมรับในบทบัญญัติของลัทธิพานังหัวใจถึงแม่ว่าจะสนใจแม้ว่าจะถัดใจแต่มารยาทแห่งบรรดาผในการที่จะน้อมตัวเองต่อบทบัญติของลัทธิ سبحانه หัวใจในมารยาทเกี่ยวกับกานขออนุญ สำหรับทาสและทาสาีหรือเดเกเยี่ยงวัยบรรลุศาสนาทว่ามีมารยาทเกี่ยกับการขอเนื้อเข้าบ้านคนอื่นรับประทานอาหารในบ้านคนอื่นจะเป็นบ้านเพื่อนเพื่อนมีมารยากชนิดคนอื่นก็ตามมีมารยาทของดันดา ม, มุกมีมีที่เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนรวมต้องทำตัวอย่างไงและต้องปฏิบัติตัวอย่างไรกับผู้นั้นนื่นคือสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากสุรธรรมุโดยสังเกตนะครับเมื่อเรา ปฏิบัติสิ่งต่างๆที่มีระบัในสุราตอันมุร์ยังแข็งคระด้างนอนเราจะสัมผัสแทนตัวเราจะมีสีอานาะเอระบุไว้ในสุราอั้นูรเมื่อเราบอกครัง้งเมื่อเราหันหายี่ห่างจากตัญเนติของสุราอันมุร์แทนต่างมันก็จะยิ่งบักลงตังนะครับดังนั้นไม่ถือว่าไม่ถือว่าเราลาจากสุราตอันมูรแล้วนะครับ ที่ตัวเราจะเริ่มสัมผัสนะครับเม่เราเรื่องูเรสมบูรณ์ว้ะเราได้อนกามาทั้งหมดนี่อันนี้เเรนไม่จแล้วนะเราเพงเงชีวิตของเราโดยนำสิ่ที่เราได้ศึกาวนีเอามาดูเราปฏิบัติค่นอะไรที่เราเคยปฏิบัติก็ให้ยืนยันอะไรที่เราไม่เคยปฏิบัติก็เอามาใช้มาปฏิบัติ อะไรที่เราบกปร่องหรือไม่แขนครับก็พยายามพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่มีอย่ที่มีระบุอยู่ในสุรธรรมุสุรธรรมุเป็นสุราที่ไหนนะไอชามื่อจะให้บรรดาศิดย์บัก่อที่จะแต่งงานเป็นภรรยาเป็นเป็นราชินีในครอบครัวนี่นะจะให้สอนจะให้เรียนอิศกาสุรานี่เพราเป็นสุรที่จะควบคุม กิจกรรมหลากหลายนะครับในชีวิตของมุสลิมโดยเฉพาะชีวิตอุสลิมที่ในครอบครัวแังนั้นเมื่อในครอบครัวทุกคนจะเป็นพ่อจะเป็นแม่จะเป็นลูกจะเป็นน้าเพื่อศึกษาเรื่อนี้แล้วแน่นอนนะครับชีวิตของเราจะเป็นชีวิตอย่างอิสลามเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมอยากเป็นชีวิตอย่างอิสลามทั้งทั้นดีชีวิตของเราในปัจจุบันไม่ใช่ประเพทนี้ของอิสลามไม่ใช่มารยาของอิสลามไม่ใช่หลักเกณฑ์ไม่ใช่กเกณฑ์ของอิสลามเราใช้คมว่านักเรีย แต่ยโสมว่าที่ไหนเขาไม่ทำกันเราถึงว่าให้ยเขาไม่เอากันฮ้ยเขาทำกันได้เฮ้ยเขาก็ทำกันอ่าทำเรานี่เรต้องเลิกใช so ้กันแล้วเลิกใช้กันอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างทำอ้างตีนของผู้ปีนทํอ้างขงู้ปีนเนี่ยทำได้ไงอ้างก็จะเล่าตัวกันได้อ่างทำไมอ้าก็จะเล่าใช้ นี่คือคำพูดคือคำอ้างอิงของนุกลินในกิจกรรมต่างๆในชีวิตว่าเมื่อพือ้นฐานของนุกลินในด้านหลักการด้านกฎเกณฑ์ด้านมารายาทนั้นคืออิสลามเท่านั้นแต่หากต้องมีอะไรอื่นที่จะมาแทรกเข้ามาที่จะมาให้มีอิทธพลในชีวิตของเรานั่งเลยคืออุปสรรคี่ิ่งใหญ่ที่เราต้องเผชิญในชีวิตาการที่เราจะปฏิวัติชีวิตของเราเอาสิ่งต่างๆที่เป็นหลังกฎเกณนเป็นหลังมารายาทนี่นะเอาขับไ่ออกไป เอาอิสลามมาเป็นคุณทางเอาอิสลามมาเป็นคดเคีเอาอิสลามมาเป็นดั่งหลังดั่งบนบริเวณชีวิตของเราทุกทิเลยนั่นคืสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสำหรับอิสลามเลิมีรสชาติและการสอนศาสาอิสลามไม่ฉะนั้นอ่านอุษณาอ่านตีข้อตามเนี่ยไม่ถึงว่าอ่านจบแล้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจถาบางกานสูตรติมูรหลายรอบแล้วถ้าไม่รู้ติมูร์มันจะทีอะไรอย่าต่าง ที่มีโอกาสที่จะสัมผัสที่แว่าคนดีสุดท้ายะอาจจะมีโอกาสสัมผัสจนกระทั่งตักที a บักจนกระทั่งตั้งตักี่บักมาเรียตต่างๆที่มีในสุรนารุขอพระเจ้าพานาหัวตาลให้จนก n ะทั่ y ให้เสร็จต p นนี้ท่านนะครับที่ร่วมการฟังอธิบายสุรนารุให้เรามีเอกลักษณ์ความบริสุทในการที่จะพูดเรียน ฟังและสอนแล ะ, ะปฏิบัติและนำํนำไปใสแพรนําไปสอนคนอื่นเป็นหน้าที่ขอเราทุกคนอใครที่ได้สัมผัสแสงสว่างของอัลมาติย์ไม่แสงนี่นะแสงของอลั uran, ลกุรอานเราจะมีของอลัลกุรอานได้สัมผัสเองแล้เ น, นี่ยและเห็นคนอื่นยังอยู่ในความมืดความจต็มเต็มนะ สำหรับคนที่รับผิดชอบตรงนี m เ u ี่ยที่มองเห็ล้วมันสว่างแล้วควรที่จะเอาวาแต่วงได้สำหรับเองจะให้เกิดเรองนะครับขอให้่านนะคัมีความรับผิดชอบนะครับในการที่จะนำความรู้ตรงนี้ไปปฏิบัติในชีวิตให้พวกท่านทุกท่านนะครับแล้วขอให้พวกท่านมีความจำเริญมีความมีเจตนาดีในการที่จะเส่อตอบรับคำบัญชาของอัลลอฮ ด้วยอิสลามด้วยากาสนาอัลลอฮฺ อ, อัฮะอางเนที่นะครับหาซ ข, ข้อบอกคำหลายๆที่ที่น้องได้ยินได <m i> ้ฟังเอ่อครั้งที่ผ่านไปแล้วหลายครั้งเนี่ยจะเป็นเ่อยคาที่ไม่หมดเป็นทั้งคำที่ไม่สวยงามามที่น้องอูลิรอสาุาห์มุฮาู